รรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งเจสเรื่องพรามคนใดคนหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจโตวันทรงปรารบรพามคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าตันห้ายะจายเตเป็นต้นตอน พระสัสดาเสด็จไปหาพรามผู้มิจฉาทิฏฐิได้ยินว่าพรามผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิวันหนึ่งไปสู่ฝั่งแม่น้ำแผ่วถางนาอยู่พระสัสดาทรงเห็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของแกจึงได้เสด็จไปสู่สำนักของแกแกแม้เห็นพระสัสดา ก็ไม่ทําสามีจีก ร, รมเลยได้นิ่งเสียครั้งนั้นพระสัสดาตรัสทักแกก่อนว่าพรามท่านกําลังทําอะไรพรามพระโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้ากําลังแผ้วถางนาอยู่พระสัสดาตรัสเพียงเท่านั้นแล้วก็เสด็จไป แม้ในวันรุ่งขึ้นพระสัสดาเสด็จไปสำนักของแกผู้มาแล้วเพื่อจะไถานาตรัสถามว่าพรหมณมท่านทำอะไรอยู่ทรงสดับว่าพระโคโดมผู้เชิญข้าพเจ้ากำลังไถานาดังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปแม้ในวันต่อมาเป็นต้น พระสัสดาก็เสด็จไปตรัสถามเหมือนอย่างนั้นทรงสดับว่าพระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้ากำลังหวานกำลังไขน้ำกำลังรักษานาดังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปตอนพรามนับถือพระองค์ดุสหายครั้งในวันหนึ่ง รามกราบทูลกับพระองค์ว่าพระโคดมผู้เจริญท่านมาแล้วตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าแพร่ถางนาถ้าข้าวกล้าของข้าพเจ้าจากผลผลิตข้าพเจ้าจกแบ่งปันแก่ท่านบ้างยังไม่ให้ท่านข้าพเจ้าเองก็จัะไม่เคี้ยวกินตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านเป็นสหายของเรา ตอนข้าวกล้าเสียหายครั้นโดยสมัยอื่นอีกข้าวกล้าของพรามนั้นเพลิดผลแล้วเมื่อพรามนั้นทํากิจทั้งปวงเพื่อการเกี่ยวด้วยตั้งใจว่าข้าวกล้าของเราเพลิดผลแล้วเราจะให้เกี่ยวตั้งแต่พรุ่งนี้ไปมหาเมฆยังฝนให้ตกตลอดคืนพาเอาข้าวกล้าไปหมด นาได้เป็นเช่นกับที่อันเขาถางเอาไว้ตอนพรามเสียใจเพราะทำนาไม่ได้ผลก็พระสัสดาได้ทรงทราบแล้วในวันแรกทีเดียวว่าข้าวกล้านั้นจกไม่เลดผลพรามไปแล้วแต่เช้าตรู่ด้วยคิดว่าเราจะตรวจดูข้าวกล้า เห็นแต่นาเปล่าเกิดความโศกเป็นกําลังจึงคิดว่าพระสมณะโคโดมมาสู่นาของเราตั้งแต่คราวที่แพร่าถางนาแม้เราก็ได้กล่าวกับท่านว่าเมื่อข้าวกล้านี้เผลดผลแล้วจากแบ่งส่วนให้แก่ท่านบ้างยังไม่ให้ท่านแล้วเราเองก็ไม่เขียวกิน ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านเป็นสหายของเราความปรารถนาในใจของเราแม่นั้นไม่ถึงที่สุดเสร็จแล้วพราหมณ์นั้นทำการอดอาหารนอนบนเตียงน้อยแล้วตอนพระศัสดาเสด็จไปตรัสถามข่าวพราหมณ์ลำดับนั้นพระสัสดา ได้เสด็จไปสู่ประตูเรือนของพรามนั้นพรามนั้นทราบการเสด็จมาของพระศัสดาจึงสั่งว่าพวกเธอจงนำสหายของเรามาแล้วให้นั่งที่นี้ชนผู้เป็นบริวารได้ทําอย่างนั้นแล้วพระศัสดาประทับนั่งแล้วตรัสถามว่าพรามไปไหน เมื่อเขากราบทุนว่านอนในห้องก็รับสั่งหาด้วยพุทธดำรัสว่าพวกเธอจงเรียกพรามนั้นมาแล้วตราดกะพรามผู้มานั่งแล้วณนะส่วนข้างหนึ่งว่าเป็นอะไรพรามพรามพระโคโดมผู้เจริญท่านมาสู่นาของข้าพเจ้าตั้งแต่วันที่แพ้วถาง แมข้าพเจ้าก็ได้พูดไว้ว่าเมื่อข้าวกล้าเลิดผลแล้วจกแบ่งส่วนถวายท่านบ้างความปรารถนาในใจของข้าพเจ้านั้นไม่สำเร็จเสร็จแล้วเพราะเหตุนั้นความโศกจึงเกิดแล้วแก่ข้าพเจ้าแม้พัดข้าพเจ้าก็ไม่หิวตอนตรัสเหตุแห่งความโศก และอุบายระ ง, งับความโศกลำดับนั้นพระสัสดาตรัสถามพรามนั้นว่าพรามก็ท่านรู้ไหมว่าความโศกเกิดแล้วแก่ท่านเพราะอาศัยอะไรเมื่อพรามกราบทูลว่าพระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบก็ท่านทราบหรือ จึงตรัสว่าอย่างนั้นพราหมณ์ความจริงความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดยอมอาศัยตัณหาเกิดขึ้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าตันหายะจายเตโซโกตันหายะจายเตพยังตันหายะวิปมุตตสะ นัตติโซโกโกุโตพยังความโศกย่อมเกิดเพราะตัณหาภัยย่อมเกิดเพราะตัณหาความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากตัณหาภัยจะมีแต่ไหนตอนแกะอัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า ตันห้ายะได้แก่ตันหาอันเป็นไปในทวารหกอธิบายว่าความโศกเป็นต้นย่อมมาสายตันหานั่นเกิดขึ้นในการจบเทศนาพรามตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลดังนี้แลเรื่องพรามคนใดคนหนึ่ง